บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อไปวัตถุประสงค์ในการแสดงมหาสติประธานสูตรของพระภุมีพระภากเจ้าในตอนต่อไปนั้นทรงใช้คำว่าสัตานังวิสุทธิยาคือเพื่อความบริสุทธิ์หมดจุดแห่งสัตว์ทั้งหลาย ความบริสุทธิ์หรือที่ท่านใช้คำว่าวิสุทธิ์นั้นโดยความหมายสูงสุดหมายถึงการบริสุทธิ์หมดจดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากจิตใจของบุคคลมีความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสแล้วแม้กายแม้วาจาก็ชื่อว่า บริสุทธ์ตามไปด้วยพระพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาทางกายกับทางใบาจา้าเป็นการสะท้อนมาจากจิตคือคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเมื่อจิตใจซึ่งเป็นตัวบงการการกระทำและคำพูดมีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเจือปนอยู่การกระทำเหล่านั้น การพูดเหล่านั้นก็จะเป็นกายสุจริตบุญสุจริตที่สมบูรณ์ในชั้นของความบริสุทธินั้นโดยหลักทั่วๆไปก็ถือกันว่าเริ่มมาจากที่อาการกายอาการบรจาและการทางจิตใจพระพุทธศาสนาไม่ได้มองความบริสุทธิ์จากปัจจัยภายนอก ไม่ได้มองที่รูปร่างมองที่สกุลบงหรือมองที่ศิลปะวิทยาการต่างๆแต่ว่าบุคคลใดาสามารถปฏิบัติเพื่อบันเทาบำบัดขจัดกิเลสออกไปจากจิตใจได้ความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นชั้นแห่งวิสุทธิ์หรือชั้นแห่งความบริสุทธิ์จึงเริ่มมาจาก ข้อปฏิบัติที่เรียกว่าศีละวิสุทธ์คือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งศีลหรือหมดจดด้วยศีลซึ่งหมายความว่าศีลที่บุคคลได้สมาทานรักษาไปนั้นจะทำหน้าที่ควบคุมอาการกายกับวาจาของบุคคลไว้ไม่ให้มีการประพฤติมีการกระทธรรมลักษณะที่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและบุคคลอื่น ถ้าหากว่าศึกษาได้ปฏิบัติได้ถึงชั้นที่ไม่มีความบกพร่องในศีลซึ่งใครจะอยู่ในฐานะอะไรก็ไม่บกพร่องในชั้นนั้นนี่ก็ชื่อว่าเป็นความบริสุทธิ์ชั้นศีลในชั้นต่อไปก็คือเรื่องของจิตใจที่เราเรียกว่าจิตวิสุทธิ์คือความบริสุทธิ์แห่งใจ ในชั้นนี้มุ่งหมายถึงการปฏิบัติระดับสมถกรรมฐานที่ความผ่านความสงบขึ้นไปโดยลำดับจนถึงบรรลุฌานทั้งสี่ประการกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจถึงแม้จะมีก็เหมือนไม่มีเพราะถูกสงบไว้ด้วยองค์แห่งฌานนั้นๆอย่างที่เคยให้รายละเอียดมาแล้วในชั้นนี้ถือว่าเป็นความบริสุทธ ระดับหนึ่งแต่เป็นความบริสุทธิ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นไม่บริสุทธิ์ได้ถ้าหากว่ากำลังแห่งสมาธิกำลังแห่งฌานเหล่านั้นเสื่อมไปท่านจึงมุ่งให้เกิดความบิสุทธิ์อีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์หมดจดแทงกิตใจโดยอาศัยปัญญาเป็นหลักสำคัญ ทำหน้าที่บำบัดขจัดขัดเกลาวบรรดากิเลส ท, ทั้งหลายแม้จะละเอียดยัางหรก็ขัดเกลาวออกไปได้หมดสิน้นผ่านขั้นตอนอย่างที่ได้เคยเกล่าวมาแล้วในวิสุทธิทังเกตประการจนเกิดผลสุดท้ายเป็นยานทัศนวิสุทธ์คือความรู้ความเห็นในยานเครื่องรู้ต่าง ที่เกิดผุดขึ้นหลังจากปฏิบัติผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้วแต่ว่าการที่จะดำเนินไปสู่ขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงหลักในการปฏิบัติเอาไว้แม้หลักนั้นจะวิจิตพิสดารอย่างไรก็สรุปรวมลงที่สติปัฏฐานทั้งสี่ประการนี้ สติปัฏฐานทั้งสี่ประการจึงถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติที่ครอบคลุมข้อปฏิบัติส่วนอื่นทีมน่มุ่งเน้นไปให้เกิดความบริสุทธิ์แก่ผู้ปฏิบัติในตอนต่อไปทรงใช้คำว่าเพื่อก้าวล่วงความโศกซึ่งหมายความว่าตามปกติแล้วจิตใจของบุคคล จะถูกครอบงําด้วยความโศกมีประการต่างๆที่กล่าวโดยสรุปรวมก็คือพวกปะกินนักทุกข์ทั้งหลายในแ ก, ก่ความโศกความรําไรรําพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจการต้องพลาดพลากจากสิ่งบุคคลอันเป็นที่รักการต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลสิ่งอันไม่เป็นทิรักตลอดถึงความหิวแข้งใจต่างๆไม่จะเกิดขึ้น ด้วยความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ภายนอกและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่เมื่อผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติดาเนินไปตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรหรือในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ก็จะผ่านพ้นความโศกในรูปลักษณะต่างๆไปได้ พันี้จะเห็นได้ว่าคนบางคนที่ประสบความโศกด้วยปิยวิปโยคคือการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นทีรักแต่เมื่อได้ฟังธรรมะในพุทธสํานักที่เกี่ยวด้วยหลักของสติปัฏฐานทั้งสี่ประการนี้ก็สามารถถอนลูกสอนคือความโศกที่เสียดแทงใจจุ ทำจิตใจของตนให้สงบตั้งมั่นมีปัญญาปรากฏขึ้นพิจนาเห็นรูปนามตามความจริงแห่งปัจจัยลักสามารถบรรลุมรรคผลได้ด้วยเวลาไม่นานเลยตัวอย่างของบุคคลเหล่านี้ในสมัยพุทธกาลมีเห็นเป็นนันมากอย่างท่านสันติมหามาตแห่งกรุงวัชชี ไปทำสงครามปราบปราม ป, ปัชชนชนนบุตรคือชายแดนสงบราบคาบไปได้ตอบแทนความดีด้วยราชสมบัติอยู่เจ็ดปันท่านก็สนุกสนานในราชสมบัติต่อมานางนักร้องซึ่งมาร่ายรำให้ท่านชมนั้นต้องการที่จะแสดงการร่ายรำให้เต็มที่ จึงไม่รับประทานอาหารเพื่อตัวอ่อนแต่ในที่สุดก็เป็นลมล้มตายไปท่านเกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นกำลังจนไม่อาจที่จะตั้งสติไว้ได้พระผุ้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปทรงแสดงธรรมะเป็นเครื่องถอนความโศกแก่ท่านในขณะที่ท่านนั่งบนหลังช้าง เรียบพระนครอยู่นั้นก็ได้พิจารณาไปตามกระแสะแห่งพระธรรมเทศนาสามารถบรรลุอรหัตเป็นพระหันบุญหลังข้างและนิพพานบุนหลังช้างได้นี่แสดงให้เห็นว่าเดื่องนาฏของบา ร, รมีธรรมในอดีตนั้นประการหนึ่งและด้วยการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้ประการหนึ่ง ปัจจัยทั้งสองประการนี้มาสนับสนุนให้เกิดผลมากบ้างน้อยบ้างตามสมควรแก่บารมีในอดีตและการประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันการถอนความโศกจึงอาจจะถอนได้ในระดับที่รุนแรงจนถึงระดับที่ลดหลั่นลงมาตามปริมาณของความเข้าถึงธรรมะเหล่านั้น และจิตใจที่มีความสงบอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไปตามหลักธรรมะเหล่านั้นเรือตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงเด่นอีกท่านหนึ่งคือพระปตาจาราเทรีที่ประสบปิยะวิปโยคคือการพราพลาคจากคนสัตว์อันเป็นที่รักในคืนเดียวถึงหกคนด้วยกันคือลูกสองคนกับสามี พี่ชายพ่อและแม่จนท่านไม่อาจที่จะตั้งสติได้กลายเป็นคนวิกลจริตร้องไห้คอนพร่ำเพอรอไปด้วยประการต่างๆจนกลายเป็นคนไม่มีภาพขอนจุดนุ่งวิ่งกระเจิงกระเจิงไปถึงผู้ตสํสนักคนอื่นก็ช่วยกันไล่แต่พระพุทธเจ้ารับสั่งให้เข้ามา เมื่อนางเข้ามาก็รับสั่งว่าจงกลับได้สติเถิดพักินีคือจงกลับมีสติขึ้นเถิดน้องหญิงท่านก็ได้สติมีจิตใจสงบพร้อมที่จะฟังธรรมะและเมื่อพระองค์ทรงสแสดงถึงความจริงแห่งชีวิตซึ่งมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาตามหลักที่ ปรากฏในสติปัฏฐานสุดนางก็สามารถถ่ายถอนลูกศรคือความโศกออกไปได้ออกบวชเป็นภิกษุณีบรรลุอรหันต์เป็นประหารระดับเอตถะคะเป็นต้นะนั้นธรรมะทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้โดยปริยายต่างๆจึงเป็นธรรมะที่มุ่ง เจดทนลูกศรคือความสุขมุ่งที่จะบำบัดแก้จัดความทุกข์ดันั้นบางครั้งบางคราวเมื่อทรงแสดงโดยสรุป <c oughs> ก็จะเห็นว่าธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นมุ่งที่จะสอนให้คนรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้กรรมวิธีหลักการวิธีการ ในการที่จะพื้ปฏิบัติไปแล้วสามารถที่จะดับความทุกข์ไดห้หลักเหล่านั้นก็มาสรุปแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานดังกล่าวประการต่อไปคือเป็นการขจัดความทุกข์และโทมนัตความทุกข์กับความโทมนัตที่มาคู่กันอย่างนี้ หมายถึงทุกกายกับทุกใจความทุกได้แก่ทุกกายโทมานัสได้แก่ทุกใจแต่ถ้าความทุกข์ที่มาโดดๆมาคำเดียวก็หมายถึงทุกข์ทั้งทางกายและทางใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจของบุคคล น, นั้นจะสัแดงอาการออกมาในรูปลักษณะต่างๆ ซึ่งบางครั้งบางคราวโดยความรู้สึกของสามั ญ, ญชนคล้ายๆจะไม่เป็นความทุกข์อะไรแต่ในแง่ของรูปสับของความหมายของอัตถะแห่งธรรมะแล้วนั่นก็คือเป็นความทุกข์ในลักษณะหนึ่งในอาการอย่างหนึ่งนั่นคืออะไรคือการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากเขตจากปัจจัยต่างๆเข้ามาผสมกัน ก็มาเกาะคุมกันมีรูปมีลักษณะแตกต่างกันออกไปบัญญัติเรียกกันว่าคนว่าสัตว์ว่าสิ่งของว่าต้นไม้ว่าภูเขาแต่เมื่อการเกาะคุมของสิ่งเหล่านั้นแยกสลายจากกันสมมติบัญญัติที่เคยมีอยู่ก็หมดสภาพไปตามการแยกสลายของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นโดยความหมายของคําวัตทุก จึงครอบคลุมสิ่งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณถ้ามองในแง่ของพระไตรลักแต่ถ้ามองในแง่ของอริยสัจก็จะหมายเฉพาะสิ่งที่มีวิญญาณคือสามารถเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์ได้ประสบกับการเสียดแทงการเ บ, เบียดเบียนที่ก่อให้เกิดความเร่าร้อนขึ้นทั้งทางกายและทางจิตได้ธาารรมะเหล่านี้ก็จะถอนลูกศร คือความโศกที่เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนความเร่าร้อนเหล่านั้นซึ่งเป็นทั้งเรื่องของกายและเป็นเรื่องของจิตใจโดยในญาติที่กล่าวแล้วลักษณะความทุกข์ที่คนมองไม่ค่อยเห็นว่าเป็นความทุกข์อีกในญาตหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงรักษาสภาพเดิมของตนเองไว้ไม่ได้แห่งสัตว์แต่บุคคลทั้งหลายนี่ก็เป็นลักษณะของความทุกข์ ในความทุกข์ที่รู้กันทั่วไปและยอมรับกันก็คืออาการเบียดเบียนและแผดเผาถ้าถามว่าเบียดเบียนอะไรคือเบียดเบียนสุขซึ่งบุคคลกําลังประสบอยู่กรณีจะเห็นได้ว่าเวลาความทุกข์เกิดขึ้นอย่าทําให้ความสุขน้อยลงตัวอย่างทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการปวดเมื่อยเพราะนั่งนานเป็นต้น เมื่อแกปรากฏขึ้นแต่การนั่งสบายๆก็ค่อยหายไปหายไปเพราะถูกทุกเวทนาเหล่านี้เบียดเบียนเวลาปรากฏผลออกมาจะมีอาการเร่าร้อนเพราะแกเสียดแทงตั้งส่วนกายและส่วนใจแต่ที่มุ่งหนักไปจริงๆคือมุ่งอยู่ที่จิตใจดังกล่าวเพราะอะไรเพราะว่าใจเป็นตัวรู้เป็นตัวสวยอารมณ์เหล่านั้น ถ้าหากว่าแก้การที่ใจได้ที่กายก็ไม่มีความหมายอะไรจุดมุ่งหมายในทางปฏิบัติธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้บางครั้งจึงสรุปว่าทำทั้งหลายรวมลงที่จิตดวงเดียวไม่ว่าจะเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นกิเลสเป็นมรรคผลนิพพานก็ว่ากันที่จิตแห่งเดียวเท่านั้นเอง หลักในมหาสติปฐานในสุดจึงเป็นหลักของการเรียนรู้ศึกษาในตัวเองไม่ได้ออกไปข้างนอกที่สรุปเป็นกายเวทนาจิตธรรมอย่างที่ทราบกันไม่ได้ดูอะไรข้างนอกเลยทั้งหมดเป็นการดูที่ตัวเองทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะความไม่บริสุทธิ์ที่เป็นจุดมุ่งหมายในการสอน มาสติปัฏฐานสุตรนี่เพื่อให้บุคคลทําลายความไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นออกไปให้เกิดผลเป็นความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์กับความไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ที่ใจนี่เองใจที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือใจที่มีกิเลสหุ้มห่อเอาไว้พิธีที่จะทําให้บริสุทธิ์ก็คือการขจัดกิเลสที่หุ้มห่อออกไป เหมือนกับกระจกที่มีฝุ่นละอองจับอยู่มากก็ไม่สามารถจะมองเห็นเงาหน้าของตนได้วิธีที่จะแก้ก็คือขจัดฝุ่นเหล่านั้นแล้วความสะอาดก็จะปรากฏขึ้นที่กระจกหรือในส่วนอื่นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันสรุปว่าความไม่บริสุทธิ์มีอยู่ในจุดใดความวิสุทธิ์ก็มีอยู่ในจุดนั้น แต่เป็นเรื่องของคนเราฝาาคนละด้านเกิดขึ้นในจุดเดียวกันแต่คนละขณะกันในขณะใดาที่มีความไม่บริสุทธิ์อยู่ในขณะนั้นความบริสุทธิ์ก็ปรากฏด้วยไม่ได้แต่ในขณะใดาที่มีความบริสุทธิ์ปรากฏอยู่ความไม่บริสุทธิ์ก็ปรากฏ ร, ร่วมด้วยไม่ได้เช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับฝั่งซ้ายฝั่งขวาของแม่น้า บางครั้งดูเหมือนจะอยู่ใกล้กันแต่จะไม่มีการบรรจบกันคือขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายหรือเหมือนแผ่นดินกับท้องฟ้าดูคล้ายจะใกล้กันแต่ไม่มีโอกาสบรรจบกันกุศลละธรรมกับอกุศลละธรรมหรือบาปกับบุญหรืออาสวัคกับบารมีที่ท่านแยกออกไปเป็นสองฝ่ายก็มีลักษณะอย่างนั้นสิ่งทั้งสองนี้ บุคคลสามารถขยจัดและสร้างให้เกิดขึ้นในจุดเดียวกันนั่นเองในด้านความโศกความร่ำไรความคร่มครวนรำพันพิริพิไยไปต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ไม่ได้เกิดที่อื่นและไม่ได้มาจากสิ่งอื่นแต่เกิดขึ้นเสียแทงอยู่ที่ใจของคนนี้เองเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเพื่อถอน ความโศกความคร่ําครวนความร่าไรรําพันต่างๆจึงสอนกันที่ใจมุ่งแก้กันที่ใจแล้วไม่ให้ไปแก้ที่ใจคนอื่นแต่แจ้แก้ที่ใจตนเองคือสรุปประเหตุเกิดที่ไหนก็ต้องแก้กันที่นั้นความทุกข์เกิดที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจความโศกความคร่ําครวนรำ่รำพัยรําพันเกิดที่ใจก็แก้กันที่ใจแม้ความทุกขความโทมนัส ที่ผู้ปฏิบัติสามารถผ่านพ้นไปได้ก็อยู่ที่ใจนี้เองซึ่งหลักการสำคัญที่รู้กันทั่วไปและแพร่หลายคือการยึดติดของจิตในเรื่องเหล่านั้นจิตไปยึดไปถือในอารมณ์ต่างๆไว้มากไม่ว่าจะเป็นการยึดถือโดยอานาจของตันหาว่าของเราของเราหรือโดยอานาจมานะว่า เป็นเราหรือเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นหรือแม้แต่ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็ตามแต่ยางนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นในบทสวดที่สวดกันสวดกันสม่ำเสมอเป็นประจำก็คือว่าสังคิตเตนะปันจุ ป, ปาทานักขันธาทุกขา เมื่อกล่าโดยสรุปแล้วการที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ท่าห้านั่นเองเป็นความทุกข์ในชั้นของการสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้สอนเรียนรู้ถึงเรื่องภายนอกก่อนแต่เรียนรู้เฉพาะภายในนี่เองพระตาหากว่าบุคคลเข้าใจในจุดเริ่มต้นคือจุดที่เป็นตนของตนแล้วเวลาจะเชื่อมโยงไปหาความเข้าใจ ในส่วนอื่นในบุคคลอื่นในสัตว์อื่นหรือแม้ในโลกอื่นก็นสามารถที่จะเข้าใจได้ข้อนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการแสดงธรรมะของพระองค์เป็นการแสดงที่กายนี้อย่างที่ทรงแสดงว่าเราบัญญัติโลกการเกิดขึ้นแห่งโลกความดับแห่งโลกที่สก ล, ลกายมีความยาวประมาณวานหนึ่งมีความกว้างประมาณกมมือ มีความมานาประพาณธ์คืบหนึ่งนี้เองปัญหาทั้งหมดจึงอยู่ที่บุคคลแต่ละคนครนี้พึงเห็นตัวอย่างหลักการปฏิบัติที่ให้เกิดความวิสุทธิในระดับที่ตามๆลงไประดับศีลธรรมจัญยาก็อยู่ที่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตัวเองเป็นเบื้องต้นในชั้นของความคิดจิตใจเองก็ให้คิด ที่ตัวเองเป็นหลักพยายามเรียนรู้หาความเข้าใจบุคคลอื่นในภายหลังแต่ต้องเข้าใจตัวเองเช่นก่อนเพิ่งดูในชั้นศีลทั้ง5ประการที่ได้สมาทานกันนั่นก็คือความคิดที่รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองโดยสามารถทำตนเองเป็นอุปมาโดยเชื่อมโยงความเข้าใจตนเองไปหาบุคคลอื่นได้ โดยมีความรู้สึกที่เป็นพื้นฐานของใจว่าเรานั้นไม่ต้องการความทุกข์และต้องการความสุขการฆ่ากันก็ดีการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไปในให้ก็ดีการกระพฤตผิดในทางประเวณีการหลอกลวงการมอมเมาตนเองด้วยสิ่งเสพจิตนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหมด ความทุกข์จึงเป็นความปรารถนาร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายคือไม่ต้องการด้วยกนเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ต้องการความทุกข์การกระทำที่เราไม่ชอบก็คือคนอื่นเขาไม่ชอบแต่ก็งดเว้นไม่ประพฤติกระทําในลักษณะนั้นกรณีเพิ่งเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วสีนั้นพระพุทธเจ้าไม่ถึงกับบอกว่าอย่าคาา่าสั แต่ว่าใช้คำว่าปานาติปาตาเวรมณีเท่านั้นเองคืองดเว้นจากการกระทำสิ่งที่มีชีวิตให้ตายหรือให้บาดเจ็บที่ท่านใช้คำว่าตกล่วงไปเกิดขึ้นจากความสำนึกที่ชอบโดยเหตุผลหรือเข้าใจตนเองของบุคคลเหล่านั้นเหมือนโทษเห็นบาป เห็นความทุกข์ทรมานที่เกิดที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นเพราะการกระทําของตนเห็นว่าถ้าตนไปกระทําต่อบุคคลอื่นถ้าคนอื่นมากระทําต่อตอนตนก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อตนจะไปทําแก่บุคคลอื่นบุคคลอื่นก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันแล้วก็งดเว้นโดยอาศัยความสํานึกที่เกิดขึ้นจากการเข้าใจตัวเองแล้วโยงความเข้าใจตนเองไปหาคนอื่นทีหลัง ในชั้นของสมาธิและในชั้นของวิปัสสนาปัญญาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือดูที่นามรูปหรือดูที่จิตใจห่างกายของตนเองเป็นเบื้องตน้นจนเกิดความเข้าใจโดยท่องแท้แล้วในโอกาสต่อไปก็เรียนรู้ไปที่ภายนอกก็จะเข้าใจโดยความเป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าในชั้นศีลธรรมจัญญาที่กล่าวมาแล้วหรือในชั้นของวิปัสสนา เห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยรักษาสภาพเดิมไว้ไม่ได้มีอาการแผดเผาเบียดเบียนก่อให้เกิดความ ร, าร้อนร้อนด้วยประการต่างๆเอามาตเหล่านี้เข้าไปจับอะไรก็ตามในโลกนี้จะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นคนมีคนจนเป็นนักโทษเป็นดิลสัตว์ตดิลสานาต่างๆก็คือกันอยู่ในสภาพอย่าเดียวกันแต่ว่าจุดที่หาความเข้าใจในตอนต้นนั้นต้องดูที่จุดย่อยจุดเล็กๆซะก่อน นั่นก็คือตนเองการอุปกรณ์ในการเรียนรู้ทั้งหมดในสติปัฏฐานสุดจึงเป็นการเรียนรู้จากตนเองเป็นประการสำคัญไม่ว่าถ้ากายก็กายตนเวทนาก็เวทนาที่ปรากฏแก่เราจิตก็คือจิตของเราพวกธรรมะทั้งหลายก็คือธรรมที่ปรากฏแก่เรานั่นเองเมื่อเข้าใจได้ในจุดนี้ ก็จะก่อให้เกิดเป็นความวิสุทธิขึ้นในชั้นนั้นๆสามารถบรรเทาความสศกความร่ำรรำพันธ์ต่างๆและทายถอนบรรเทาความทุกข์ความโทมนัสออกไปตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบตอบ